น, นี่ก็เป็นครึ่งพรรษาแล้วนะเผลอแป๊บเดียวก็ผ่านมาได้ครึ่งทางของการเข้าพรรษาพอออกไปออกก็ยังมาจำาสียงกันเหมือนเดิมอันนี้ก็ถือว่าเป็นการบูชาพระพุทธองค์ที่นาสารเสรญเป็นปฏิบัติบูบชา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 1น。นอกจากต้องใช้ความเพียรมากกว่าการบูชาด้วยอามิตรแล้วเนี่ยยังก่อให้เกิดผลที่ยั่งยืนกว่าอย่างการบูชาด้วยดอกไม้ทูบเทียนก็ก็ใช้ความเพียรเหมือนกันต้องไปต้องไปหาซื้อมาสมัยนี้ก็ต้องซื้อทำเองไม่มีละ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 แต่การปฏิบัติบูชาด้วยการรักษาศีลการบําเพ็ญภาวานา<ม>ก็เหมือนกับการรดน้ำดูแลดอกไม้ในใจซึ่งก็มีแต่จ ะ, อะงอกงามมากขึ้นนะยิ่งทาก็ยิ่งย่อกงอกงามกลายเป็นไม้ใหญ่ ผลนี่มันต่างกันอามิสุบูชาพอทำไปแล้วผ่านไปวันสองวันสวันนะดอกไม้ก็เหี่ยวเฉาแต่ว่าปฏิบัติบูชาทำไปยิ่งทำดอกไม้ในใจก็จะงอกงามมากขึ้นแล้วมันก็ดีกับคนอื่นด้วยคนที่อยู่รอบตัวเราก็พอได้รับความสงบเย็นนะจากเรา ก็เกิดเราปฏิบัติถูกต้องนะพวกเราก็ได้ระโชคดีนะที่ได้มีโอกาสมารักษาศีลแล้วก็ได้มาปฏิบัติเพราะว่าในที่อื่นนั้นเนี่ยเขาก็ทำยากไม่ค่อยมีโอกาสเหมือนเราเพราะว่าความบีบคั้นทางด้านชีวิต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 แล้วก็บังเอิญที่ผู้ช่วยเจ้าว่านี่ก็เป็นเพื่อนกันด้วยไปเจอกันโดยบังเอิญนะมีคนพาไปให้ว่าไปเที่ยววัดเซงกันหน่อยพอไปก็อ๋อเจอเพื่อนที่แรกเป็นเพื่อนของเพื่อนตอนหลังคุยไปคุยมาอ๋อก็รู้จักกันก็เลยได้รู้ว่าทุกวันตอนเช้ากับตอนเย็น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 ขับรถไปทำงานขากลับเขาก็มาแวะนั่งสมาธิสักสี่สนาทีแล้วก็กลับบ้านพวกนี้เขามีความตั้งใจมากแต่ว่าจะให้เขาลางงานมามานั่งสมาธิหรือมาปฏิบัติอย่างพวกเราที่ทําในวันนี้เนี่ยมันก็ทําได้ยากถ้าคนในกรุงก็ทําได้ยากนะแต่พวกพ่ออกแม่ออกที่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 รักษาศีลตลอดทั้งวันที่ น, นี้ได้อ น, นี่าเป็นโชคในชาดกมีเรื่องเล่าของราชาแห่งหนาเรียกพยานนาคพยา น, นานี่ก็เป็นผู้ที่ฝ่ายรักษาศีลถึงวันศีลก็พยายามรักษาศีลแปแต่ว่ารักษาไม่ค่อยได้ เพราะว่านางสนมเยอะนะนางสนมเยอะหรือสิ่งยั่วยุเยอ ะ, ย เ, ยอะเพราะว่าเป็นพยานานาคไม่สามารถรักษาสีนข้อที่สามได้คืออรัมจริยานะก็เลยต้องหนีขึ้นมาจำสีนบนบนโลกมนุษย์จากใต้บาดาลก็หนีมาจำสีนบนบนบกก็ยังไม่ไวายโดนคนหลังแก คนเห็นในพยายนาามาอยู่บนบกก็จับพยายนนาที่จริงมีฤทธิ์นะแต่ว่าวันในวันศีลเนี่ยก็ถือว่าต้องรักษาให้เคร่งครัดเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ใช้อิทัลิิเพราะใช้อิทัลิตเช่นพ่นไฟหรือว่าป้องกันตัวแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้คนล้มตายพยายนนาก็เลยต้องยอมให้เขาจับตัวไป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 ปฏิบัติแล้วก็ยังไม่ไม่ว่าถูกรังควานถูกเขากันแกล้งพญยายนาคที่มีฤทธิ์มากนี่ก็ไม่ยอมแพ้กับมนุษย์ส่วนหนึ่งก็เพราะมั่นคงในศีลสุดท้ายก็เพราะศีลที่ตัวเองรักษาไว้ก็สามารถปกป้องช่วยให้ตัวเองอยู่รอดได้พญยายนาคนี้ก็คือพระโพธิสัตว์นะในชาติหนึ่งแต่พวกเรามาจาศีลที่นี่ก็ปลอดภัย แต่ถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยจำศีลในสมัยนี้แม้แต่ในชนบทก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่า mm hmm. เพื่อนๆที่จะมาจำศีลร่วมกับเราเนี่ยมันน้อยลงไปทุกทีน้อยลงไปทุกทีไม่เหมือนสมัยก่อนนะมีคนมาจำศีลด้วยกันเยอะนะสังคมไทยสมัยก่อนหมู่บ้านไทยสมัยก่อนนะเวลาจำศีลนี่มากันเยอะพร้อมเพรียงกันมีหมู่มีมิตรบางคนก็ มาจำเสียงก็เพื่อได้พบเพื่อนได้พูดจาพูดคุยกันแล้วก็ถือโอกาสได้ว่างเว้นจากการงานด้วยแต่เดี๋ยวนี้แม้กระทั่งในชนบทก็ทำงานกันตลอดทั้งปีวันสีรวันพระก็ไม่ได้หยุดตนะ้องตังทงับ้องทำงานคนที่จะมาจำเสียงก็มีน้อยอันนี้จะจ่อไปแล้วก็เป็น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 มันมาจาศีลกันในวัดหมดก็ต้องมาด้วยนะัยการจําศีลในประเทศเหล่านั้นกลายเป็นเรื่องง่ายบางทีก็มีคนหนุ่มคนสาวมาจําศีลด้วยยิ่งอย่างประเทศพม่าเนี่ ย, ยก็เรียกว่าทำกันเป็นเรื่องธรรมดาอย่ยว่าแต่วันศีเลย ว, วันธรรมดาเนี่ย คนเข้าวัดกันก็เป็นเรื่องที่ปกติถ้านะเคยไปเจดีชเวดากองเจดีชเวดากองนี่เป็นเป็นเจดีที่ถือเป็นหัวใจของประเทศนะเป็นหัวใจเป็นเสาหลักของประเทศเคยไปก็ประหลาดใจแล้วก็ตื่นเต้นไปพร้อมๆกันเพราะว่า ตั้งแต่เช้าหกโมงจนถึงสองทุ่มหรือสามทุ่มเนี่ยจะมีคนไปที่เจดีย์ชเวตะกองกันคับข้างมากนะไปทั้งกราบไหว้ไปทั้งทำบุญนั่งสมาธิแม้กระทั่งไปเที่ยวก็มีหรือว่าพาลูกหลานไปเที่ยวสาวที่นี่เขาไม่ได้ไปเที่ยวห้างกันนะ ไม่มีคั้นนิยมไปเที่ยวห้างอย่างคนในเมืองแต่ว่าเขาจะพาลูกหลานกันมาเที่ยวที่เจดีย์ชเวดากองใช้คําว่าเที่ยวก็คงไม่ถูกเพราะเข้ามาแล้วก็ามาด้วยความนอบนอบ้นอมสํารวมกายสํารวมวาจาส่วนเด็กๆ ก, ก็อาจจะวิ่งเล่นนะอยู่บนลานเจดีย์นี่จะมีมีลานกว้างนะลานกว้างมากอยู่รอมรอบเจดีย์แล้วคนก็ทํา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 เพราะว่าชีวิตเรานะมันก็มีความไม่เที่ยงทุกชีวิตก็ล้วนแต่มุ่งสู่ความแก่ความเจ็บความตายความพัดพรากนะนี่คือความจริงแต่ว่าถ้าเรามาปฏิบัติเอาไว้ให้ความแก่ความเจ็บมันก็ทำอะไรเราไม่ได้ถ้าถึงเวลาที่เราจะต้องลาจากโลกนี้ไปเราก็ไม่ได้ห่วงกังวล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 ให้นึกย้อนไปถึงวันที่ได้ไปหลอพระแลวก็นึกย้อนไปแล้วก็นึกถึงว่าแต่งชุดอะไรใส่เสื้อสีอะไรนระเพียบาก็ชวนให้นึกถึงบรรยากาศในวันที่ได้ไปหลอพระสร้างพระแกก็ย้อนกลับไปได้พรากว่าพอทำไปได้สักพักเนี่ยความปวดของแกก็ทุเลาลง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 ก็มีโย ม, มานิมนต์นิมนต์นนไปทำอะไรนิมนต์ให้ไปรับสังกทานจากแม่ของเขาที่กําลังจะเสียชีวิตที่อยู่ในตึกเดียวกันท่านก็ไปรับสังกทานรับเสร็จก็สังเกตว่าแม่เนี่ยคือคนป่วยเนี่ยเขาไม่รู้ตัวล้วแต่ว่าเขากระตุกกระตุกตลอดเวลาเลยสัญญาณชีพก็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 ใส่บานี่อาการกระตุกค่อยๆลดลงนะแล้วพอไปถึงเสร็จแล้วก็พูดชวนต่อไปว่าอา้าวถึงถึงหน้าบ้านแล้วเอา้าซ้ายมือเห็นพระไหมแกก็ใส่หัวขวามือแหละเห็นพระหรือยังเห็นพระแล้วแกก็พยักหน้าทีนี้แกเริ่มผนมมือแล้วผนมมือนี่ขนาดไม่ค่อยรู้ตัวนะแต่ว่าตอบสนองพอพูดเรื่องพระนี่ มีอาการตอบสนองเลยพนมมือการกระตุกลดลงสัญญาณชีพที่มันขึ้นลงขึ้นหลมก็ค่อยๆสงบแล้วท่านกระชวนเอาใส่บาตรูปที่หนึ่งมาแล้วใส่บาตใส่ตักข้าวอาดอกไม้อาหารทักนก็ภาคไปเป็นทีระองค์ทีระองค์จีร ง, งจนครบก้าองค์บินบินสะบาใส่บาตเสร็จตอนนี้คุณยายเลิกกระตุกแล้ว แกไม่กระตุกแลวแกนิ่งเลยนะสงบละแต่แล้วก็ชวนไปไปกราบพระที่วัดไตรมิตรมีหลวงพ่อทำด้วยทององค์ใหญ่ที่โยวอ น, นี้แกไปเป็นประจำเอาไปกราบหนึ่งกราบสองกราบสามแต่แล้วก็นั่งภาวนาพุทธ หายใจก็พูดหายใจออกโทโยมทำงี้นะหายใจก็พูดหายใจออกโทแกก็ทำตามนะในจินตนาการของแกแกก็สงบเป็นลำดับทำไปได้สักพักไอสัญญาณชี้ที่มันขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงมันก็ในสุดก็แบนราบก็แสดงว่าหมดลมแล้วไปอย่างสงบนะไปอย่างสงบเพราะอะไรก็เพราะว่าได้นึกถึง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 ถึงแม้ใครจะไม่ทํากับเรานะแต่เราเราทำเองเราก็ได้คนเดียวที่จริงจะว่าเราได้คนเดียวก็ไม่เชิงเพราะว่าพอเราทําแล้วเราจิตใจเราสบายคนที่อยู่รอบข้างคนที่ได้พบปะเราก็ก็ปล่อยสบายใจไปด้วยเพราะว่าความสุขนั้นเนี่ยมันความสุขความสงบเนี่ยมันมันสามารถแผ่ไปถึงคนอื่นได้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 มันก็รับรู้ได้ว่าว่าคนที่มีมีเมตตาอย่างที่เคยเล่าเรื่องจงอ้างที่ตามหลวงพ่อชาไปไปบิณฑบาตนะมันก็ตามไปทุกเช้าแต่ไม่ได้ตามตลอดนะพอพอจะพ้นเขตวัดมันก็เลื้อยกลับเข้าวัดแตท่านไม่เห็นหรอกแต่ว่าชาวบ้านเห็น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 ประชุมพ้กกันอยู่มันเลื้อยเข้ามาเลยคนแตกตื่นกันหมดแต่มันไม่มีอะไรนะพอหลวงพ่อบอกให้ให้ให้ให้มันกลับไปสร้มันก็กลับมันยอมให้ท่านตบหัวด้วยนะมันชูชูคอมาสูงเลยลท่านตบหัวมันให้กลับไปท่านสำรับรู้ได้ถึงความสงบในจิตใจซึ่งต้องเปลี่ยนไปด้วยเมตตานะ ต้นไม้ก็เหมือนกั น, นต้นไม้ไมมีเรื่องเล่าว่าหลวนตอนที่หลวงพ่อชาท่านไม่สบายท่านก็มารักษาตัวแถวๆถวปากน้ำท่านก็มารักษาตัวที่กรุงเทพนะแต่ว่ามาจำวัดแถวๆถวปากปากน้ำเป็นบ้านโยมบ้านบ้านโยมคนนี้เนี่ยมันมีต้นต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งเรกว่าพวงประดิษฐ์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 บ่อยครั้งก็มาหยุดอยู่ที่หน้าต้นพวงประดิษฐ์นะั้นท่านจึทำนี้เป็นกิจวัตรเพราะว่าท่านต้องรักษาตัวอยู่เขาจะว่าหลายที่อาจเป็นเดือนได้ซ้ำนะพรากว่าหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยต้นพวงประดิษฐ์มันก็ออกดอกสะพรั่งเลยเป็นที่ประหลาดมากเพราะว่ามันไม่ออกดอกมาหลายปีแล้วก็ลเลยเชื่อกันว่าเนี่ยเป็นเพราะว่า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 จริงตัวมา ก, ก็มีชีวิตนะหรือแม้ก็ทั้งไม่ว่าจะสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยมันก็สามารถจะรับรู้ถึงความสงบหรืออำนาจจิตของเราได้คเคยเล่าให้ฟังแล้วว่ามันมีคนญี่ปุ่นเข้ามาทดลองว่าไอ้น้ำเนี่ยน้ำที่ที่เราใช้ที่เรากินเนี่ย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 เพราะนั้นถ้าเราได้เห็นได้มีเข้าใจถึงคุณค่าของความดีของการทำบุญแล้วเนี่ยนะก็ให้มันทำบุญกันเรื่อยๆไปว่างก็มาจําศีล น, นะไม่ว่างก็จําศีลที่บ้านก็ได้ให้ทำความดีเป็นเป็นชีวิตของเราไปเรื่อยๆอัลละก็พ่อแม่ก็เตรียมรับศีลได้